เ, เตือนพอรนะ อ, อ่าอยินดีนะพื่ที่พวกเราได้ใช้เวลาตอนเช้าวันหยุดเนี่ยมาฟังธรรมเนจะ้าหน้าที่เราก็คงเหนื่อย ก, การทำงานหรือบางบางคนก็อยากจะได้เจออะไรที่มันสนุกสนานตื่นเต้นนะหลังจากที่ใช้ชีวิตกับความเบื่อหน่ายมาตลอดทั้งอาทิตย์ อาตมาพูดเสียงไม่ค่อยดังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจฟังหรือเงียบหูฟังสมอยก็ดีที่พูดเนี่ยที่จะพูดวันนี้เนี่ยนะมันเหมาะทั้งกับทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นหรือแม้แต่เด็กนะเรื่องการวางใจให้เป็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนแก่ ร่วนปรารถนาความสุขใช่ไหมเราปรารถนาความสุขแล้วคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยนะหลายคนจะนึกถึงว่าการที่เราจะได้พบสิ่งดีๆพบความเจริญพบความสำเร็จได้รับคำชื่นชมสรรเสริญได้รับหรือมีทรัพ์สมบัตินะพูดง่ายๆคือว่าเราปรารถนาจเจอสิ่งดีๆ หรือว่าอยากจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเวลาเราทำบุญแล้วก็อธิษฐานนะขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะขอให้เจอแต่คำว่ามีอยากได้รู้จักคำว่าไม่มีอะไรเงี้ยนะตอนนี้เนี่ยการที่เราเจอสิ่งดีๆเนี่ยมันไม่เป็นหลักประกันนะ ว่าเราจะมีความสุขตามไปด้วยเจอสิ่งดีๆแต่วางใจไม่เป็นนะมันก็ทุกนะเจอสิ่งดีๆแต่วางใจไม่เป็นจะทุกมามีเพื่อสมาคนหนึ่งเนี่ยนะเอ่ ซึ่งหมอตำรงก็รู้จักเนี่ยเป็นหมอฟันเหมือนกันแต่ว่าแกแกชอบเล่นหุ้นเนี่ยแล้วเป็นอาชีพเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ละแกะเคยเล่าว่าเคยไปเจอคุณป้าคุณอื่นที่ตลาดหุ้นคุยไปคุณมาคุณป้าก็บอกว่าเมื่อสาวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปล็อตใหญ่ตัวน ห, หนึ่งล็อตใหญ่ล็อตหนึ่ง ได้กำไรสิบล้านบาทกำไรนะเพื่อตรรมาก็เลยบอกว่าเนี่ยขอแสงความ ย, ยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรได้ยี่สิบล้านเพรหุ้นเป็นขึ้นไบขายแล้วหุ้นขึ้นเนี่ ย, ยเท่าตัวเลยคุณป้าไม่มีความสุขนะได้สิบล้านเนี่ยนะลอตเตอรี่เราที่หนึ่งกี่ใบนะสองสี่ห้าใบานะ ไม่มีความสุขพอรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่ได้ไปที่ตลาดหุ้นเพื่อนรมาก็เลยไปถามมาร์าาเก็ตติต้งว่าคุณป้าหายไปไหนได้คำตอบว่าคุณป้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าเพ อ, อะไรรู้ไหมเพรเครียดที่ได้แค่สิบล้าน <c oughs> ใครๆคริดว่าเออถ้าฉันได้สิบล้านนี่ฉันจะมีความสุข ต่จะมีความสุขก็ต้องวางใจให้เป็นด้วยอย่างกรณีนี้คุณปากก้าแกวางใจไม่เป็นแทนที่แกมองว่แกได้สิบล้านแกมองว่าแกเสียสิบล้านเข้าใจไหมพอแกมองแกเสียสิบล้านนี่แกทุกเลยอันนี้เข้าใจไม่มนี่เราวางใจไม่เป็นคือมองไม่ถูกอีกลายหนึ่งคือเป็นข่าวเมื่อสองสามนาทีที่แล้วนะเป็นวัยรุ่น ชาอังกฤษนะตอนที่แกอายุ17เนี่ยแกซื้อลอตเตอรี่และแกได้รางวัล1ล้านพนก็เกือบ50ล้านบาทโอ้โหโชคลาบโชคโชคใหญ่เลยนะ4ปีให้หลังแกอายุ21เมื่อไม่กี่ไม่กี่เดือนมันเนี่ยบอกว่า ชีวิตแกย่ําแย่แกเครียดไอ้เงินที่แกได้แกก็ซื้อนนซื้อนี่นะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถนะซื้อหมาช่วยนะแต่ก็มีความสุขแกเครียดแ ก, แกเครียดหนักเลยนะแล้วรู้ไหมแกฟ้องบริษัทลอตเตอรี่ข้อหาที่ทําให้แกเครียด <c oughs> ให้เงินกูแล้วเนี่ยนะทำให้เครียด <c oughs> <c oughs> ให้เงินกูตึกตลา เลยทําให้เลยเครียดคือไปโทษคนอื่ น, นไง<ม>คือหนึ่งเนี่ยนะได้เงินได้เงินหนึ่งล้านฟองเนี่ยวางวางใจไม่เป็นใช้ไม่ถูกชีวิตก็แย่ชีวิตก็เครียดนะแล้วครียดแล้วยังไม่ยอมรับว่าตัว เ, เองเนี่ยเป็นเพราะตัวเองเนี่ยใช้เงินไม่เป็นก็ไปโทษไอ้บริ ษ, ษัทลอตโต้เนี่ยว่าเนี่ยทําให้ชีวิตฉันแย่ลงนะฟ้องเข้าเนี่ เนี่ยมันชื่อะไรให้เลนว่าคนเราเนี่ยได้โชคได้ลาบไม่แปลว่าจะมีความสุขนะคุณต้องวางใจให้ถูกด้วยใช่ไหมเน้นจะไปหวังว่าเออขอให้ฉันมีโชคมีลาบอย่างเดียวไม่ไมพอนะเราต้องหวังว่าเออเราจะรู้จักวางใจและวางใจให้เป็ น, นมันสําคัญอีกอย่า ง, างนึงคือว่าคนเราเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะมีโชคมีลาภทุกวันหรือว่ามีโชคมีลาภไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราต้องเจอแต่สิ่งดีๆเสมอไปแม้เราจะพยายามอย่างไรเราจะระมัดระวังแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา เราดูแลรักษาร่างกายยังไงดียังไงนะเรากินอาหารเนี่ยคํานึงถึงหลักสุขลักษณะเราออกกาลังกายแต่บางครั้งเราก็เจ็บป่วยใช่ไหมความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่อร่างกายอ่อนแอองเดียร่างกายที่เข็มแข็งแข็งแรงที่ก็เจ็บป่วยนะนักกีฬาที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันก็มีเยอะแยะใช่ไหม คนที่ยกน้ำหนักเนี่ยร่างกายบึกบึนเนี่ยไม่ป่วยเหรอใช่ไหมก็มีวันที่ต้องป่วยเราจะเราจะพยายามนะทำงานให้เรียบร้อยทีถ้วนมันก็ยังมีโอกาสที่จะล้มเหลว งานไม่เป็นหนังใจเราทำดีแค่ไหนให้ทารักษาศีลก็ยมงมีคนด่าเราดินทาเราใส่ร้ายเราใช่ไหมเราพยายามรักษาดูแลทรัพย์สมบัติรถยนต์เนี่ยเราไปไปไปที่ไหนแล้วก็จอดที่ที่มันถูกถูกต้องล็อกรถอย่างดีวันดีคือดีรถยังหายเลย หมายความ่าไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรเนี่ยทำดีแค่ไหนระมัดระวังเพียงใดเนี่ยไอเหตุการณ์ที่ไม่ถึงประสงค์หรือเรียกร้องความทุกข์ก็ยังสามารถเกิดขึ้นกับเราได้นี่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราจะทำยังไงตอนนี้แหละวางใจให้เป็นเนี่ยสำคัญนะวางใจให้เป็นข้อแรกก็คือว่า เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเราอย่าซ้ําเติมตัวเองเวลากายป่วยเวลาป่วยเนี่ยก็ให้มันป่วยแต่กายใจอย่าป่วยเวลาเงินหายของหายนะก็ให้มันเสียแต่เงินเสียแต่ของใจอย่าเสียแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย เวลาป่วยนะป่วยกายด้วยป่วยใจด้วยป่วยใจคืออะไรเครียดวิตกกังวลโวยวายตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นนะเป็นไปได้ยังไงฉันออกกําลังกายฉันเล่นโยคะฉันวิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจำแต่ทำไมถึงเป็นมะเร็งฉันกินอาหารสุขภาพอาหารชีวจิตนะ ทำไมจึงเป็นมะเร็งโกรธนะอัเนี้ยรนะนนเรียกว่าป่วยใจคนเราเวลาป่วยเนี่ยนะมันไม่ได้ป่วยแต่กายนะส่วนใหญ่ป่วยใจด้วยมีเพื่อธรรมมาคนนึงนะเป็นมะเร็งเธออยู่แค่สามสิบ ทีแรกนี่วีนะทั้งวีนทั้งเวียนทั้งจิกกัดใครต่อใครทั้งหมอเนะเข้าหน้าก็ไม่ติดเลยเพราะเป็นมะเร็งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนอายุสามสมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่ตอนล้างเนี่ยเธอสงบลงผ่าไปปีปกว่าเธอใจเธอใจเธอนิ่งลงถ้าเธอพูดประโยชนี้นไว้ดีบอกว่ามะเร็งเนี่ยไม่ทําให้รอยยิ้มของคุณหายไปหรอกนะมะเร็งเนี่ย ไม่ได้ทําให้รอยยิ้มของคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหาที่มันทําคนส่วนใหญ่พอเป็นมะเร็งเนี่ยนะวางใจไม่เป็นนะทุกเลยแล้วพอทุกข์ใจนะเป็นไงมันกินไม่ได้หนอนไม่หลับเวลาเสียของเนี่ยเวลาของหายเนี่ยมันไม่ได้เสียแต่อของหลายคนปล่อยให้ใจเสียด้วย กลมออกกลุ่มใจอาไลอาวอนนะขุนเคืองโทษคนนั้นโทษคนนี้เสร็จแล้วเป็นไง ก, กินไม่ได้นอนไม่หลับติดต่อกันหลายวันคราวนี้ไม่ได้แค่ใจเสียนะสุขภาพก็เสียหรือถึงแม้สุขภาพไม่เสียพอไปทํางานไม่มีอารมณ์ทํางานนะงานก็เสีย พอเอาบอจอยมีเพื่อนมาหยอกมีเพื่อนมาเยา้าแต่ก่อนก็หยอกกลับแต่คราวนี้พอเขามาหยอกนี่โมโหด่ากลับนะไม่ใช่หยอกแล้วด่ากลับเลยเสียเพื่อนนะอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองคนอื่นเนี่ยเขาแค่เอาขอโมยเงินเราไปขโมยรถเราไป แต่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนอันนี้เราทำบางทีเสียคนเลยนะเ่เสียเพื่อนอย่างเดียวนะเสียคนเมือ่อสักปีที่แล้วเนี่ยนะมันมีมันมีคลิปวิดีโอประเทศจีนห้างสร ร, ระสินค้ามีผู้หญิงผู้ชายสองคน ไม่รู้เป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยากันเขาก็บัญญายว่าผู้หญิงเนี่ยอยากได้ไอโฟน6หรือ7นะแต่ผู้ชายไม่ซื้อให้ก็เสียใจโกรธเธอก็พยายามเอาชนะสาวเอาชนะผู้ชายนะ หรือเป็นเพราะว่าความเสียใจก็ไม่รู้นะเธอก็เริ่นถอดเสื้อถอดกางเกงถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงในแล้วก็ยืนอยู่งนะั้นเรื่อนเขาว่าเนี่ยแกต้องเสห้ฉันนะไม่งั้นนี่ฉันทําให้แกขายหน้านะผู้ชายไม่สนใจผู้ชายเดินหนีผู้หญิงเดินตามแต่ก็ยังอยู่ในยังอยู่ในจอนะ คนผ่านไปผ่านมานี่งงเลยนะก็มีอมาม่าคนหนึ่งอะอัซิมคนหนึ่งเห็นก็เลยหยิบมาเตือนสติผู้หญิงแล้วก็หยิบเสื้อให้ใส่ซะทางเกงก็ใส่ซะคงรู้ตัวนะเฮ้ยนะรู้ตัวก็เริ่มใส่เสื้อใส่ เ, งเกงไม่รู้เลยนะว่าไอ้ภาพ น, นี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกแล้วเสียชื่อไหมเงี้เยเสียคนถ้าภาษาไทยภาษา ไวรุสเรียกว่าเสียหมาอเี้ยอันนี้เราซ้ำเติมตัวเองนะคนที่เ็าไม่ซ้าเติมตัวเองนะคือเออไม่ได้ไ h o ฟ e ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แค่ไ h o n e แต่ยังอื่นไม่เสียแต่พอวางใจไม่เป็นนี่นะโปรดนะมันเสียอึนะมันเสียเสียภาพลักษณ์เสียชื่อเสียคนแต่พวกเราไม่ทำงั้นหรอกไม่มีใครทำงั้นหรอกพวกเราอ่ะ แต่เราจะเสียเงินนะที่ตวาว่าเนี่ยพอพอเสียของเขานะจะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนนี่เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนี่เรียกว่าเพิ่มความทุกข์ยาตัวเองต้องวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นเนี่ยก็เช่นอ่ามีสตินะอย่าลืมตัว ผู้หงคนเมื่อกี้แกลืมตัวเพราะแกที่จะเอาชนะแกถูกความโกรธนะมันครอบงำก็เลยทำอะไรในสิ่งที่เสียหายกับตัวเองคนเรานะบางทีเนี่ยมันไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นด้วยนะชีวิตก็ราบเรียบแต่พอวางใจไม่เป็นนี่ทุกข์เลยนะอาตรมาเจอ คนจีนคนนึงหน้นะอายุประมาณสักหกสิบกว่ารวยนะสามีก็ดีลูกก็ดีลูกมาบวชเป็นพระที่วาตรรมาแต่สีหน้าแกหม่นหมองคุยไปคุยมาเนี่ยก็เพราะว่าที่แกหม่นหมองก็ระแกไปนึกถึงแต่ชีวิตในวัยเด็กที่ลําบากคงไม่ใช่แค่ขัดสนอย่างเดียวนะแต่คงจะไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ เป็นคนจริงก็เขาก็จะสนใจแต่ลูกผู้ชายนะลูกผู้หญิงก็พ่อแม่ไม่สนใจอาจจะบีบคั้นด้วยชีวิตแกมีความสูง แ, แต่แกวางใจไม่เป็นแกยังคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตแล้วกแกก็เลยเศร้าอย่างนี้ก็เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะ ไม่มีอะไรคไม่มีชีวิตเนี่ยอยู่สบายแล้วแทนที่จะพึงพอใจในความสุขที่มีแทนที่จะบอกออขอบคุณนะที่ฉันมีวันนี้นะมีสามีที่ดีมีความมีลูกที่ดีมีเงินมีทองไม่เจ็บไม่ป่วยได้ซ้ำแต่เธอแต่เศร้ามองคิดถึงกับเหตุการณ์ในดีใจไม่ไปอยู่กับอดีตบางคนนะอายุเจ็ดสิบแล้ว เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาพูดจานุ่มนวลแต่เวลานึกถึงใครบางคนเนี่ยนึกถึงคนคนหนึ่งเนี่ยแกจะโกรธมากแกจะโวยวายแกจะด่าลูกสาวเนี่ยเป็นหัวแม่เพราะว่าแม่เป็นเนี่ยมาหลายเป็นสิบปีแล้วถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบสาสิบปีที่แล้ว คือแกเนี่ยป็นคนที่เอือเฟือผู้ชายคนนี้นะแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยกลับไม่เห็นบุญคุณของแกอักตันอยู่ของแกแกผิดหวังแกเสียใจแกโกรธเหตุการณ์เกิดขึ้นมสา3สิบปีมาแล้วเนี่ยแกก็ยังทุกข์เนี่ยทั้งที่ชีวิตแกก็มีความสุขดีอยู่แล้วลูกก็ดี ลูกเนี่ยนะพ่วงแม่ว่าเนี่ยถ้าแม่โกรธแบบนี้นะกลัวว่าตายเราจะไปอบายหรือว่ากลัวว่าจะป่วยเสช่เรื่องในสมองแตกบอกให้แม่ให้อภัยให้เขาก็ไปเถิดแม่คนแม่โกรธลูกนะด่าว่าลูกเหมือนกับว่าลูกเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกแม่ ันนี่แกติดอยู่กับอดีตแกวางใจไม่เป็นนะแทนที่แกจะหันมาออรับรู้ว่านช่วยแกมีความสุขแล้วนะลูกก็เป็นฝั่งเป็นฝาลูกชายก็มีฐานนะแต่แกไม่มองตรงนั้นเลยแกไปมองแต่ไอเหตุไอคนคนนั้ น, น่ะเมื่อ20 2 3 0ปีที่แล้วนี่เรียกว่าวางใจไม่เป็นหรือบางทีเราก็เรียกปล่อยวางอาดีตไม่ได้ถามว่าทุกไหมเวลาคิดถึงเรื่องพวกนี้ มันทุกข์ทุกข์แล้วทำไมยังไปคิดถึงเรื่องพวกนีนะ้อันนี้เรยเพราะลืมตัวคนเราเนี่ยซ้ำเติมตัวเองบ่อยนะบางทีก็เอาเรื่องคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราตอพวกคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเรา ต, ตัวอย่างง่ายๆเนี่ยตัวที่เมื่อกี้พูดเนี่ยคนที่ทำความดีเพื่อเฟื้อผู้อื่นหลายคนจะเจ็บช้ำน้ำใจที่คนที่เราช่วยเนี่ยเขาไม่เห็นความดีของเราเขาไม่มีความกรตตันอยู่รู้คุณถามว่ากลัวไปทำไมการที่เราทำความดีกับผู้อื่นเนี่ยเป็นของดี และการที่คนที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยไม่มีความกตัญญูรูกคุณเนี่ยอันนั้นเป็นปัญหาของเขาเขาต้องรับวิบากของเขาเองเราไปทุกทำไมใช่ไหมเราไปทุกทาไมถ้าเขาไม่ไม่สํานึกในบุในบุญคุณของเราเนะขาต้องรับกรรมเองเราไม่ต้องทุกข์กับการกระทาของเขา มันไม่เกี่ยวกับเราเลยลูกบางคนเนี่ยดูแลแม่อย่างดีเลยนะแม่ป่วยดูแลแม่เนี่ยเป็นปีบางทีก็ห้าปีแต่แคนเนะแค้นที่พี่น้องคนอื่นเนี่ยไม่สนใจดูแลแม่เลยแค่มามาหาแม่วันวันแม่สิบสองสิงหาแล้วก็ไปนะพอมาหาแม่มากราบเท้าแม่ถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊ก สิบสองซิงหาฉันมากราบแม่แต่วันอื่ไม่เคยมาไอคนที่ดูแลแม่นี่ โ, โกโรธมากเไปโกรธเขาทําไมการที่เราการที่เราดูแลแม่เนี่ยดีอยู่แล้วส่วนการที่เขาไม่ดูแลแม่เนี่ยมันเป็นกรรมของเขาเขาต้องรับกรรมเองเราไปทุกทำไมอ่ะเราไปเอาเราไปเอาเรื่องเอาาเอาปัญหาเข้ามาเป็นเรื่องของเราทําไมนะ อย่าเอาเรื่องขอ ง, ของคนอื่นมาเป็นปนัญหาของเราแต่ถ้าทำกันเมื่อไหร่นน่งแสดงว่าเรากาลังซ้าเติมตัวเองเรากำลังเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองไอ้ดูแลแม่นี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วทำไมต้องไปหาเรื่องโน้นเรื่องนี้มามาซ้ำเติมตัวเองเราทำงานแข็งๆมาตรงเวลาแต่มีเพื่อนในสำนักงานของเราบางคนมันมาไม่ตรงเวลามาสายทุกที แล้วก็โกรธเขาโกรธทำไมมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะเขาไม่มาเขามาเขามาสายเดี๋ยวเขาก็โดเนเจ้านายเร่งงานเองใช่ไหมแล้วทำไมเราไปโกรธเขาอ่ะเนี่ยคนอาตมาพวกคนทุกวันนี้เนี่ยชอบเอาเรื่องของคนเขามาเป็นปนัญหาของเราเวลาเวลาใครทำให้เราทุกข์ ลังแกเราเราโกรธถ้าเรารักตัวเองนะเราต้องรู้จักให้อภัยเพราะการให้อภัยเนี่ยจะช่วยเยียวยาความรุ่มร้อนใ น, ในใจิตใจช่วยสมานแผลในใจแต่หลายคนเนี่ยจะบอกว่าฉันไม่ยอมให้อภัยมันฉันจะให้ภัยมันก็ต่อเมื่อมันเนี่ยมาขอโทษฉัน ความคิดแบบนี้เนี่ยซ้าเติมตัวเองนะเพราะว่าพอเขาไม่มาห้ภัยเราใช่ไหมพอเขาไม่มาขอโทษเราใช่ไหมเราก็โกรธก็โกรธอยู่ได้เลยเก็บภาษาความโกรธเอาไว้แล้วมันเผาลงจิตใจถามว่าใครทุกข์เราทุกข์เขาทุกข์ไหมเขาไม่ทุกข์แล้วมันก็แปลงน้คนเราเนี่ยเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราทุกข์เนี่ยนะหน้าที่อย่างได้ที่เราควรทาก็คือรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์ สมมุตินะอันนี้ไม่ใช่รักษากายอย่างเดียวแม่ใช้รักษาใจอย่างรักษากายเลยสมมติว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วมีรถคันมาพุ่งชนจนกระดูกหักนะนอนพังภาพอยู่บนถนนแล้วรถคันนั้นก็หนีไปนะ สังพักก็มีรถรถพยาบาลมารับผู้ชายที่ถูกลถชนมาทันทีเลยนะแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันไม่ยอมไปโรงพยาบาลฉันไม่ยอมขึ้นรถจนกว่าไอ้ตีนีคนนั้นเนี่ยจะมาขอโทษฉันอย่างนี้ฉลาดไหมอย่างนี้เรารักตัวเองั้ยคนที่รักตัวเอง น, ะนี่ น, นะถูกชนอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องรีบรักษาตัวใช่ั้ย เขาจะมาขอโทษหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราก็คือรีบไปโรงพยาบาลเวลาเราปวดกายเราทําอย่างนี้แต่เวลาเราปวดใจเขาถูกคนทําร้ายเราไม่ทําอย่างนี้นะเวลาเราปวดใจเพราะคนทําร้ายเนี่ยเราบอกว่าฉันจะไม่ไปรักษาจะไม่ยื้อยาจิตใจจนกว่าไอ้หมอ น, นั่นมาขอโทษฉันนี่ฉลาดด้วยว่ะคนที่รักตัวเองเนี่ยนะเมื่อเราถูกทําร้ายหังใจ มีแผลเราต้องรีบเยียวยาได้วิธีการเยียวยาที่ดีสุดคือให้อภัยคนที่บอกว่าฉันจะไม่ให้อภัยเขาจนกว่าเ้าจะมาขอโทษฉันเนี่ยนะกำลังทำร้ายตัวเองนะเขาจะทำหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่เราต้องให้อภัยเราต้องเยียวยาจิตใจเราก่อนด้วยการให้อภัย หลายคนซ้ำเติมตัวเองเนี่ยแบบนี้แหละเพิ่มทุกกับตัวเองที่จริงเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยนะอย่างมากนะก็ทําร้ายเราแค่ร่างกายเช่นเดียกัมะเร็งเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันทำร้ายเราได้แค่ร่างกายแต่มันทําร้ายจิตใจเราไม่ได้อย่างที่ทมาพูดเนี่ยถึงคนมะสักรูเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้รอยยิ้มคือหายไป ไอความทุกข์ใจต่างหางคนอื่นขโมยของเราแต่เขาไม่สามารถจะแยดเยกความทุกข์ใจให้กับเราได้คนอื่นทําร้ายร่างกายเราแต่เขาไม่สามารถทําร้ายจิตใจเราได้มีคนเดียวที่จะทําอย่างนั้นได้คือตัวเรามีพระทีเนะ่เบล์น่ะคนหนึ่งนะถูก จเนี่ยจับขังคุกสมัยที่จีเนี่ยไปยึดครองทิเบตเมื่อ50 60ปีที่แล้วเนี่ยพระที่เบตลายรูปนีไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไม่สอนคอมมิวนิสต์นะแต่จะยังสอนพุทธศาสนาสอนสมาธิสอนเรื่องบุญเรื่องกุศลรัฐบาลจีนคำนี้ก็จับขังคุกไม่ได้จับขังเฉยนะทรมานเลยพระรูปนี้เนี่ยบิบโเชนเนี่ยถูกขัง20ปีและถูกทรมาน ตลอด20ปีเกิดจะโดยตลอดครบ20ปีเนี่ยรัฐบาลนีว่าคงไม่มีที่นี่ท่านก็ปล่อยท่านก็เลยหนีไปอยู่อินเดียไทาลามาเนี่ยอยู่อินเดียพอได้ข่าวว่าท่านมาอินเดียก็เลยไปไปหาท่านไปเยี่ยมท่านแล้วก็สนทนากันมีประโยคหนึ่งไทลมาถามท่านว่าตอนที่ท่านอยู่ที่นั่นเนี่ยตอนที่ท่านถูกขังคุกเนี่ย ท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนนี้ท่านจะบอกว่ากลัวถูกทรมานนะกลัวถูกตอกคำหมั่กลัวถูกจับกดน้ําท่านบอกว่าท่านกลัวว่าท่านจะไปโกรธไปเกลียดเขาท่านกลัวว่าท่านจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านเพราะอะไรเพราะถ้าท่านเช่นถ้าท่านเช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความช่วยกับตัวเอง คือคนเราเนี่ยพอโกรธพักเกลียดใช่ไหมมันก็อยากจะทําร้ายไอายการทําร้ายเนี่ยคือการผิดศีลแม้แต่แค่ดานี่ก็ผิดศีลแล้วแล้วท่านก็รู้ว่าการผิดศีลเนี่ยมันจะทําให้ท่านเกิดทุกข์ตามมาเป็นวิบากเป็นบาปเนี่ยคนเราจะทําทบาปแล้วนี่นะมันก็ต้องรับกรรมอะ่ะท่านไม่อยากเพิ่มความทุกข์กับตัวเองแต่สมาธิเหตุผลสําคัญก็คือท่านรู้ว่า ทหารจีเนี่ยนะทําร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ทําร้ายจิตใจท่านไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธท่านเกลียดคนนั้นเมื่อไหรเนี่ยท่านกาลังทําร้ายตัวเองกําลังเพิ่มเติมเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองดังนั้นท่านก็พยายามที่จะรักษาใจไม่ให้โกรธเกลียดเพราะถ้าโกรธเกลียดเมื่ อ, อไหร่เนี่ยทุกข์ใจมันตามมา ถ้าบอกว่าถ้าผมคิดว่าเนี่ยถ้าผมคิดว่าเนี่ยไอ้แค่ทุกข์กายก็พอแล้วจะทุกข์ใจเพิ่มไปทําไมใช่ไหมอันนี้เข้าใจมามเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไ ม, าาไ ม, ไม่ไม่ระวังนะระวังจะไม่เป็นนะเราจะเพิ่มความทุกข์กับตัวเราที่จริ ง, รงเราทํา้ทุกวันนะคนส่วนใหญเ่เวลาเจอรถติดรถติดเนี่ยนะอย่างมากที่สุด น, นะคือมันทาให้เราเสียเวลา แต่หลายคนเนี่ยวางใจไม่เป็นเลยเสียอารมณ์ด้วยเสียเวลานี่นะเพราะไฟแดงแต่เสียอารมณ์เนี่ยเพราะอะไรใจเราเราวางใจไม่เป็นเราไปคิดเนี่ยปรุงแต่งว่าเดี๋ยวถ้ารถติดนานขนาดนี้เดี๋ยวไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวไปถิดนัดเพื่อนเดี๋ยวไปประชุมไม่ทันตกเครื่องบินถามว่าเกิดขึน้นหรือยังยังไม่เกิด แตจาย์คิดไปแล้วนะจารย์คิดแล้ปรุงแต่งแล้วมโนอะไรเริ่มมโนแล้วเป็นไงก็เลยหนุนหิดรถติดเนี่ยไม่ไทําให้เราหนุนหินนะรถติดไม่ไทําให้เราทุกข์รถติดทําได้มากคือเสียเวลาแต่ถ้าคุณเสียอารมณ์อะไรเนี่ยคุณกําลังทําตัวเองด้วยการไปนึกถึงอนาคตปรุงแต่งมโน กับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะแล้วข้างจริงปรากฏว่าก็ยังไปสง่งลูกท่านไปประชุมท่านขึ้นเครื่องบินอ่ะตามเวลาแต่มันกังวลเนี่ยมันวิตกเนี่ยไอ้วิตกเนี่นะมันลุลละแต่เกิดจากการมโนนะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน น, นะพูดภาษาธรรมะใจมีอยู่กับบรรจัยมันไปอยู่กับหลัคนคนหนึ่งใจไปอยู่กับอดีตเลยโกรธแค้น ใจไปอยู่กับอดีตก็เลยเศร้าหมองนะอย่างที่พูดไปสองคนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจไปอยู่กับอนาคตมีพอประโยชน์อนาคตกเกิดความกังวลเพราะว่า อ, อนาคตที่เราไปอยู่ที่ใจไปอยู่มันปรุงแต่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการวางใจอย่างแรกนะ ก็คืออย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองอย่าซ้ำเติมตัวเองนะประการที่สองนะ mm. เมื่อเจอเมื่อเจอเหตุร้าย mm. เมื่อเจ mm. อเ mm. สิ่งที่เราสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรา จะต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันหรือเห็นประโยชน์ของมันให้ได้รถติดแทนที่จะปล่อยให้จิตตกนะหาประโยชน์จากมันมีพ่อคนนึ่งนะถามลูกตอนที่รถติดติดหนับเลยนะถามลูกว่ารถติดนี่มีข้อดีอะไรบ้างถามลูกคนเล็กๆอะแต่เก้าัวเนี่ยลูกก็คิดอยู่สักพักก็บอก รถติดมันก็ดีตรงที่ว่าทำให่พ่อมาคุยกับลูกเพอาะถ้ารถไม่ติดนี่พ่อเนี่ยนะนะมองไปเนี่ยรถนะพอรถติดพ่อเลยมาคุยกับลูกเนี่ยนั้นท้ายนี้เราจะปล่อยให้หงุหลลดหงิดเนี่ยเวลารถติดใช่ไหมหาประโยชจากมันเดี๋ยวรถติดคุยกับลูกนะไม่ใช่หงุดหงิดใส่ลูกเพราะว่ารถติดนะรถติดมีข้อดีนะมีประโยชน์นะ ตามลมหายใจก็จะหายใจเข้าหายใจออกรถติดเนี่ยสัญญาณไฟแดงแปลว่าแปลว่าหยุดฟุ้งซ่านได้แล้วนะหยุดมหยุดได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกทําสมาธิบอกว่าไม่มีเวลาแล้วคุณบอกไม่มีเวลาทําสมาธิวันวันนึงเนี่ยคุณอยู่บนรถประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยแล้วเฉพาะรถติดอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็หลายสิบนาทียหายใจเข้าหายใจออกเสีย นี่เราหาประโยชน์จากเหตุา ก, หตา ก, หตการณ์ที่ไม่ไม่พึงประสงค์เวลาเจ็บป่วยหาประโยชน์จากมันมีวัยรุ่นคนหนึ่งน้าอายุยสีสเป็นลิวคี ม, ม เ, เมียมะเร็ง ม, มะมเร็งไม่เลือดจะบอกว่ามะเร็งเนี่ยนำสิ่งที่ดีมาให้แก่ช่วยแกหลายอย่างข้อแรกคือทาให แกมาสนใจธรรมะสนใจมารู้จักพุทธศาสนาเพราะว่าพอป่วยแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรทํามีคนเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านอ่านแล้วก็เห็นว่าโอ้พุทธศาสนามันดีอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องความงมงายมันเป็นเรื่องการแก้ทุกข์สองทำไม่ได้เห็นความรักที่บรู้สึก ข, ของแม่ของพ่อแม่ตอนที่ไม่ป่วยนะพ่อแม่ลูกนี่ไปคนละทาง ลูกก็อยู่ขอพักพ่อแม่ก็ไปทํางานวันวันไม่ได้เจอกันเลยแต่พอป่วยเนี่ยพ่อแม่มาเยี่ยมมาดูแลใจใสโเห็นความรัก บ, บริสุทธิ์ของพ่อแม่ซาบซึ้งใจมากนี่ถ้าไม่ป่วยไม่เห็นนะอ่าก็สามทําให้มีเวลาหยุดคิดนะทําให้ได้มีเวลาอ่านหนังสือเดี๋ยวบอกว่าถ้าแกไม่เป็นมะเร็งนะ ก็คงมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะเข้านอนตีสามนะตื่นเที่ยงเรียนหนังสือเรียนหนังสือสักพั ก, กแล้วก็รอเพื่อนอชวนไปกินเหล้าเฮ ห, หาสังสัรอยู่แบบไม่สนใจใครนะไม่คิดถึงคนอื่นนึกถึงแต่ตัวเองอยู่แบบไม่ประมาทโอ้พอเป็นมะเล็งนี่ชื่อเปลี่ยนเลยนะ อีกคนหนึ่งนะแกเป็นโรค เ, เส้นประสาทเรียกว่าโรคเส้นประสาทอ่อนแรงเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ก็หายยากอยู่แล้วนะของเธอเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงปลายประสาทที่ปลายประสาทมันยิ่งกว่าคนพิการเีอะว่คนเอามาพึ่งเอามาพาดนะเพราะคนเอามือพึ่งเอามาพาดเนี่ย ขยับพื้นไม่ได้อาจจะขยับพื้นได้บางส่วนแถมยังสามารถจะอยู่ได้เป็นเป็นสิบสิบปีกรณียังเธอเนี่ยเธอยุติยี่สบกว่าหมอบอกว่าเนี่ยอยู่อได้ไม่นานหายลมหายใจอยขอ ง, งเธอเนี่ยปอดของเธอเนี่ยทำงานได้แค่สิบซตแต่แทนที่จะรอคอยวันตายนะเธอใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยเขียนนิยายเขียนนิยายเนี่ย ไม่ได้ใช้นิ้วจิ้มนะงอนิ้วแล้วก็จิ้มสายแปนเธอเขียนนิยามมาสิบสีเล่มกลายเป็นคนที่ทำรายได้หลักให้กับครอบครัวส่งเสียน้องจุนเจอแม่พ่อตายไปแล้วแม่ตกงานคนซึ่งช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เนี่ยกลับเป็นรายได้หลักของครอบครัว แทนที่นอนรอวัดตายเธอก็เอามาเขียนนิยายเธอบอกว่าเนี่ยความทุกข์ที่มันเดียวความสุขนะความสุขมันทำให้เราฟุง้งทำให้จิตใจล่องลอยแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงซึ่งดีกว่าความฟุง้งความล่องลอยเยอะเธอสามารถหาประโยชน์จากความทุกข์ได้เห็นว่าความทุกข์มีข้อดีอยังไงบ้าง อันนี้ก็ใจมันคือรู้จักหาประยชนจากความทุกข์อีกคนนึงนะเป็นมะเร็งเต้านมแต่เธอพรว่ามันเร็งเนี่นะมันทําให้เธอได้รู้จักตัวเองแล้วก็จัดการกับโรคได้ดีขึ้นเธอบอกว่ า, วางี้ถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเธอคงตายไปแล้วเพราะเธอเป็นโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเนี่ยมันทําให้มันมืนก็นทําให้คนเรามันทําให้คนเราตายโดยไม่รู้ตัวทุวัถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเธอคองตายเพราะโรคซึมเศร้าว่าเธอเนี่ยเธอพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วสาครั้งเพราะโรคซึมเศร้าแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊บนะโรคซึมเศร้าหายเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยหาประโยชน์จากคือทุกอย่างมันมีประโยชน์นะแม้กระทั่งมะเร็งอะแม้กระทั่งไอ้ไอโรค ก, การมืออ่อนแรงปลาย ป, ายประสาทเนี่ยนะ มันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่การวางใจอีกคนหนึ่งก็ไม่ก็น่าทึ่งนะอาตมาเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยที่หนัหนกๆเนี่ยที่หายใจจิตอาสาคนหนึ่งไปเจอเด็กอายุสิบสี่ผมเธอร่วงหมดเลย เธอเป็นมะเร็งสมองผ่านการฉายแสงผ่านการฉีดคีโมบัดมะเร็งสมองนี่มันรักษายากนะโอกาสตายเนี่ยเรียกว่าแทบจะร้ยปร์เซ็นแต่เธอยิ้มแย้มชวนเจตอาสาววาดรูปเจตอาษาก็แปลกใจทําไมเธอยิ้มแย้มเธอหมายเธอเธอจังไส้คุยไปคุยมาเธอบอกหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียาติคนเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลย หนูโชคดีท <left> ี่เป็นแค่มะเร็งสมองหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนี่ยคือรู้จักหาข้อดีหาข้อดีของไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีที่ไม่เป็นหนักกว่านี้ทุกอย่างมีข้อดีทุกอย่างมีประโยชน์อาจารย์อาจจะพูทธทาบอกว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาด มาเตือนให้เราเห็นถึงความไม่เชื่อของสังขารมาเตือนให้เราได้เข้าใจธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วในจิตเราจะปลอดโปร่งโล่โงเบาสบายเพราะเราจะปล่อยวางง่ายๆอะไรเกิดขึ้นกับเรามีประโยชน์ทางนั้นนะอยู่ที่ว่าคุณจะมองหรือวางใจเป็นหรือเปล่าผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อดเริ เป็นช่างไฟฟ้าเพราะหามยามร้ายนะไฟฟ้าช็อตที่ต้นขาไฟฟ้าแรงสูงต้องตัดขาสองข้า <c oughs> ต้องพิการตลอดชีวิตไม่กี่เดือนต่อมาภรรยาทิ้งแทนที่จะร่วมทุกร่วมสุกกันนะนทิ้งไปเลยคุณกิดวาคุณเป็นอย่างดําเนินนี้จะรู้สึกยังไงนะโหเหมือ น, นกับข้อหามยาม เรียกว่าครอบํามกำสันะแต่ว่าดำหลีเนี่ยแกไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะมีคนถามแต่ว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปเขาบอกคุณไม่รู้สึกอะไรเลยคุณคิดดูซิขาสองข้างเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงตอนที่แกเสียขาสองข้างเนี่ย แกวางใจเป็นถ้าแกวางใจไม่เป็นนะแกจะซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะเสียขาอาจจะเสียจรินะโวยวายตีโวยตีพาบางคนอาจจะฆ่าตัวตายแต่แกเห็นแกได้เห็นธรรมาาจา ก, การเสียขาว่าเออมันสอนให้เรารู้นะว่าขานี่ก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างก็ไม่จีรัง สิ่งที่เกิดมาสิ่งที่มาพร้อมกับเราเนี่ยมันอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้พอแกเข้าใจตรงนี้นะพอเมียทิ้งนะแกทำใจได้แกไม่ทุกข์ละเพราะแกได้เห็นความจริงมาตั้ ง, ตงแต่ตอนเสียขาวว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่จีรังอันนี้เรียกว่าเห็นประโยชน์จากความทุกข์หรือหาประโยชน์จากความทุกข์ไดนะ้เวลาเงินหายของหายเนี่ยลองนะ ลองมองดูว่าเราได้ประโยชน์จากมันอย่างไรอยาเจะแต่เสียใจถ้าเสียใจนี่เรากำลังซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้าเราวาังใจเป็นเราไม่เสียใจเท่านี้ไม่พอต้องหาประโยชนจากมันปีปีห้าสี่น้ท่วมใหญ่หลายคนเนี่ยสูญเสียทรัพย์สมบัติเศร้าโศกเสียใจกุ้มใจกังวล แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งแกแกไม่ทุกเท่าไหร่แกบอกว่าแกาการน้ำท่วมมันทำให้แกเห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างมาอยู่กับเราแค่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปถ้าไม่มีคนเอาไปก็อาจจะโดนน้ำท่วม ไ, ไฟไหม้อันนี้เรียกว่าแกวางใจถูกวางใจเป็น ทำใหหนึ่งแก่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใจสองแกได้ปัญญาแก่ได้ธรรมะทรัพย์สมบัติเนี่ยมีเงินก็หาซื้อใหม่ได้แต่ปัญญาหรือธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าซื้อแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยนะมันช่วยทําให้เราทุกข์น้อยลงเพราะว่าพอเจอความสูญเสียครั้งต่อไปใจก็ไม่ทุกข์ลว แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยนะอยากให้เราเนี่ยลองรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นะทุกอย่างมีประ่ยชนกับเราทั้งนั้นนะมันมาสอนเราได้มากมายโดนะยเพราะสอนเรื่องการสอนเรื่องธรรมะยี่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้เคยเล่ารึเปล่าคราวที่แล้วนะเธอชื่อเค เค้กเนี่ยตอนปีสาเนี่ยเธอได้รับเลือกเป็นดาวหมหาชนเยเพราะหน้าตาเธอสวยรูปร่างก็ดีประมาณปีสมั้งเธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียก็สมัยก่อนเขาจะมันมีสมัยสมัยที่เฟซบุยังไม่ดังนะันมันมีพวกแชทลูมใช่ไหมแชทลูมใช่ไหยแกก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ย เห็นภาพเธอก็หลงรักข อ, อนักพบแต่พอเธอพบว่าเค้กเนี่ยไม่ได้รักเธออย่างที่ไม่ได้มีใจให้เธออย่างที่ไม่เค้กไม่ได้มีใจให้เขาอย่างที่เขาคิดเนี่ยก็โกรธเค้กอะ่ะทวดจะคิดว่าเค้กเนี่ยหลอกเขาเอาน้สกรดสั่นหน้าเสียโฉมตาบอดในข้างหนึ่งโคนที่เคยภูมิใจในหน้าตาตัวเองนะ เจอแบบนี้เนี่ยไม่อยากอยู่แต่เธอก็ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าคิดถึงแม่ห่วงแม่แต่บอกแม่ว่าขอย้ายขอย้ายบ้านไปอยู่ที่อายอายคนที่เคยเห็นเธอสาสวยแล้วมาพบเธออยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยเธออายนะที่จึงมันไม่ใช่ความผิยของเธอเลยนะผ่านไปสองสามปีบอกว่าเธอชีวิตเธอเปลี่ยนนะ เธอทำใจได้วางใจวางใจเป็นเธอก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไปเป็นพนัก ง, งาน c เซนเ็น e n t ร์ทุกเช้าเธอก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารเองเธอก็ไม่ติดบังหน้าตาตัวเองนะมีคนถามเธอว่ามีคนถามว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอก็ตอบต้องราคาไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยมีคนถามเธอว่าเธอกกรดผู้ชายคนนั้นไหม เธอตอบว่าไงเธอบอกไม่กลัว อ, อยากจะขอบคุณด้วยซ้ําเพราะเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้เธอเนี่ยนะได้มีเวลาได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหมายความว่าถ้าเธอยังสาวยังยังสวยเธอคงจะไปไม่เคยได้มีเวลาอยู่บ้านเลยคงอยู่ไม่ติดบ้านหรอกนะแต่ที่สำคัญคือข้อที่สองเธอบอกว่ามันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่ก่อนเธอทําแล้วก็ยึดติดมากเลยใครพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้แต่พอเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มันทําให้เธอได้รู้ว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุหมายความว่าหน้าตาเธอก็มีวันหมดอายุถ้าเธอไม่เจอเหตุการณ์นี้พอแก่ตัวมันก็ไปเหมือนกันมันซอยให้เธอรู้จักปล่อยวางแล้วพอปล่อยวางเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็กแนละ้ อันนี้คือตัวอย่างคนที่รู้จักหาประโยชน์หรือเห็นประโยชน์ของของเหตุร้าหรือความทุกข์นะไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์แบบเธอแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราวางใจได้เราวางใจไม่ให้ทุกข์ไม่ซ้ําเติมตัวเองอันนี้อย่างแรกเลยคนที่มีปัญญานต้องไม่ซ้ําเติมตัวเองแต่เธอเคยคิดจะซ้ําเติมตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายนอกจากไม่ซ้ําเติมตัวเองเนี่ยหาเห็นประโยชน์จากมันก็คือ มันมาสอนให้เธอปล่อยวางแค่ทำให้เธอเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปนะจิตนั้นเปลี่ยนแค่นี้อะตมาผู้สองข้อนี้ก็พอนะที่จริงมันมีมันยังมีการวางใจอย่างอื่นอีกนะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านหนังสือที่ตมาเขียนนี่จแจกวว้นี้แล้วกันเพราะว่า ตอนนี้แค่อธิบายสองข้อใจ ส, สองข้อนี้ก็เบสิกละหนึ่งวางใจเรื่อไม่ซ้ำเติมตัวสองรู้จักวางใจเพื่อหาประยชนจากความทุกข์นะอ่ะมีเวลาสาหรับคำถามครับตอนนี้ก็เป็นการให้โอกาสพวกเรานะครับมีคำถามนะครับอาจจะเกี่ยวเนื่องกับหัวขอ้อที่ พูดในวันนี้หรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่พูดในวันนี้ก็ได้ยกไว้เรื่องธรรมกายมันจะมีทางนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าเราบินนิดหน่อยให้เวลาเราพอสมควรนะบางทีบางอย่างที่เราเราอาจจะมีความทุกข์ใจอยู่ในในใจของเรานะติดขัดอยู่ นะแล้วก็เราสาบถามท่านนะครับไม่ใช่ไม่ว่าอาจจะเป็นปัญหาของเราเองอาจจะเป็นปัญหาของคนใกล้ชิดนะครับว่าโอเคเนีย่ยเขาไม่มีความสุขเขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยอะไรอาจารย์อาจจะมีแนวทางบอกเล่าถึงเราให้กับเราฟังเพื่อเราจะได้ไปแก้ไขหรือเราจะได้ไปเล่าสถึงคนที่เราได้รู้จกักนีได้ได้ได้ได้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงชื่ออะไรอาเชิญครับกูเด่น ไม่รู้เรียกไงนะเดี๋ยวมันอีกเล็บหนึ่งเล่บน <gem> ั้นไอเยวางใจไปอยู่โน่นโน่นโน่นโน่นมันมูสองข้างเลยคำว่าลิมโบเชพูดกับชามา่อกิ้อาจารยที่กับชาเม่กีโบเช่ลิมโบเช่มีอะไรถามไหมเชิญคนที่ทาร้ายเราแล้วถ้าเราไม่อาพายไปมันเปิดโอกาสให้เขาทำร้ายเราแบบเติมอีกครั้งอะไร เราออกหาโอเคทำใจวางใจแล้วแต่เราให้เป็นการเปิดโอกาสอ่จะให้สบายเราสามเราเราควรจะบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทาไม่ถูกแล้วก็ควรจะส่งสัญญาณคือต้องส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทาไม่ถูกและไม่ควรทํา และอคื อ, อนอกจากทำใจแล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกเขาด้วยหรือหาทางป้องกันไม่ให้เขาทำอีกนะแต่เวลาเราบอกเขาเนี่ยเราก็อย่าโกรธนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ไนดะ้เดี๋ยวค่อยแจกทีหลังว า, นะางไว้ก่อนนะิจเกีตมาต้องการบอกว่า คนเราควทํา2อย่างคือทําจิตและทํากิจนะเช่นเราป่วยเราก็พยายามให้ป่วยนั้นเนี่ยมันป่วยแค่กายใจไม่ป่วยอันนี้เรียกว่าทําจิตหรือวางใจแต่ถ้าันไม่พอนะต้องทํากิจก็คือรักษานะเยียวยาตัวเองไปหาหมอกินอาหารถ้วยถูนอนให้พอเพียงออกกําลังกาย น, นี่เราทํากิจนะ ทำสองอย่างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไ ป, ไปเป็นในเรื่องการทํากิจลืมทําจิตเจ็เราออกกําลังกายนะนะเรากินอาหารถูกสุขลักษณะเราเล่นโยคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทํากิจเท่าไหร่พอป่วยเข้าเนี่ยนะก็ป่วยกายด้วยป่วยใจด้วยหรือว่าเราเนี่ยพยายามพยายามจะให้เรามีเรามีทรัพย์สมบัติเราก็พยายามรักษา นะเราเอาจจะมีติดสัญญาณการขโมยอาจจะติดกุญแจที่แน่นหนาอันนี้เราทากิดควรทำแต่ว่าต้องเผื่อใจไว้ว่ายังไงทรัพย์สมบัติเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงสว่างก็ต้องไปต้องทำจิตด้วยลัวถ้ามันไปก็ไม่ทุกใครจะไปรั่วนะเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยไนะอสัญญาณการขโมยของเรามไม่ได้ช่วยเลยนะ แผ่นดินไหวอ่ะหรือว่าน้ําท่วมนะน่ะเหมือนก็ที่เกิดก็ไม่ได้เราต้องทําจิตเออมันไม่เที่ยงปล่อยมัน ป, ปล่อยวางไม่ทุกนะทำจิตและทํากิจเรื่องการให้อภัยเป็นเรื่องทําจิตนะส่วนเรื่องการที่จะไปบอกเขาว่าทีหลังอย่าทําหรือการที่จะทำอะไรเนี่ยมีมาตรการเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ทำมามารบกวนเรามาแกล้งเราเนี่ยเป็นเรื่องการทํากิจควรทําด้วย ถามว่ากิจของสงฆ์ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่วัดธรรมกายมีบาปคะกิจอะไรอ่ะคือถ้าเกี่วกิจของสงฆ์เนี่ยนะมันไม่บาปหรอไอ้ที่ทำเนี่ยที่บาปคือไม่ได้ทากิจของสงฆ์ใช่มั้นแสดงว่าบาปมันก็ต้องต้องเลือกต้องเลือกดูว่าเขาาอะไรบางที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่ไอ้ที่เาทำเนี่ยปะท้วงมีบาปะปะท้วงแบไหนอ่ะทอยู่วนี่เขาไม่ประท้วงนะเขากาลังเขากาลัง สกัดกั้นไม่ให้คนมามายุดมายึดวัดเขาจริงๆนะถ้าทําคโลตมานะพระเราควรจะเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนตามกฎหมายถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รับความเป็นธรรมเราก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวพระไม่ควรจะเป็นพิสิชน เป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยไม่ให้เขาประจับอันนี้ไม่ใช่แบบอย่างของของของมันไม่ใช่แบบอย่างที่ดีของพระพระคูจะเป็นแบบอย่างของคารวาสว่าเมื่อถูกเมื่อถูกฟ้องอก็ให้ก็ให้ก็จับหรือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ก็ดาเนินคดีแล้วไปพิสูจน์กันในศาลนะไม่ใช่ว่าเราทำตัวเป็นแบพิสิทชนใช่ไหม ก็พระสมัยก่อนี่ท่านไม่ได้ความเป็นธรรมก็เยอะแยะเพระพีมนทรทำเนี่ยท่านตุคขาเป็นคอมมานดิตเนี่ยหนักกว่านี่ท่านก็ยอมให้เขาจับท่านติดคุกด้วยนะแต่ท่านยอมให้ถอดจีวรครูบาสีวิชัยก็ยอมให้จับนะก็เป็นพิสูจน์คือพระเราเนี่ยนะมันมันมันต้องใช้มันต้องอันที่หนึ่งต้องไม่หวนไว้วต่อคําติชิ้นนินทานะและคาํากล่าวหา โอ้ถ้าถ้าถ้าปล่อยวางคงไม่รวยขนาดนี้หรอกเออเอาเรื่องใกล้เรื่องเอาเรื่องใกล้ตัวบ้างมการเรื่องใกล้ตัวกัเใกล้ตัว่คนนี้ท่าจัดการนี้ก็ขอเฉียดๆนิดนึงครับอาจารย์ช่วยอธิบายอนัตตากับอัตตาว่าแตกต่างกันยังไง อัตตาแปลว่าตัวตนหมายความว่าคือพุทธศาสนาเชื่อว่าไม่มีทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงมีแต่ว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นที่เป็นอมตะที่ไม่แปรเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเห็นว่ามีเนี่ยเราเรียกว่านั่นเรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นสมมุติกำปั้นเนี่ยมีไหมกำปั้นนี่มี มีจริงใช่ไหมจริงแต่มันเป็นอนัตตาก็คือมันไม่มีตัวตนที่ทแท้แท้พอแบมือเนี่ยหายไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกาปั้นก็คือที่คือชื่อที่ใช้เรียกมือที่รวบเข้าหากันเมื่อ น, นิ้วมือรวบเข้าหากันเราก็เรียกชื่อมันว่ากาปั้นแต่ตัวกาปั้นไม่มีจริงแต่อีเงี้ยมีจริง ใช่ไหมแต่คนไปคิดว่ากำปั้นนี่มีจริงแต่กำปั้นนี่เป็นเพียงแค่ชื่อเรียกของมือหรือนิ้วที่ร่วงข้อหากันพอมือหรือนิ้วเนี่ยมันคลายออกกำปั้นก็หายไปแล้วคุณเข้าใจไหมนี่เรียกว่ากำปั้นเป็นอัตตาไม่ใช่ว่ากำปั้นม่มีจริงนี่แต่สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นตัวกำปั้นนี่ไม่มีจริงมันเป็นคําสมมุติที่ใช้เรียกมือที่ข้อหากันทุกอย่างเป็นอัตตาในความหมายนี้ รถคุณเอาคุณเอาล้อคุณเอาเพลาคุณเอาคัดชีคัดซีเนี่ยมารวมกันคุณก็เรียกว่านี่คือรถใช่ไแต่ตัวรถจริงๆไม่มีตัวรถดีไม่มีหมายความไงบ้าง ว, ว่าคุณเอาล้อออกคุณเอาพาวงมาลัยออกคุณเอาเพลาออกคุณเอาตัวถังออกหรืออะไรไม่เหลืออะไรตัวรถจริงๆมไม่มี แต่สิ่งที่เรียกว่ารถ ated, man, รา animal, แต่มีนะเข้าใจไหมสิ่งที่เรียกว่ารถแตมีแต่ตัวรถมันไม่มีเพราะตัวรถเนี่ยเพราะสิ่งที่เรียกว่ารถเป็นคําสมมุติเข้ามาตัวตนไหนลองยอมชี้เลตรงไหนชี้ตัวก็ตัวไหนตรงไหนที่เราเป็นตัวเราอ่ะชี้ตรงเนี้ตรงนี้เหรอนี่นี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ตัวเรานี่คืออกชี้ตรงนี้เหรอ นี่ไม่ใช่เรานี่แขนเชียงนี้นี่หัวนะไหนชี้ที่หัวใช่เชียงนี้นี่แก้มไหนชี้เราตรงไหนเป็นหัวชี้ตรงนี้นี่คิ้วตรงไหนเป็นหัวคุณเชียงนี้นี่ปากตรงไหนเป็นหัวชี้ที่หัวใช่คุณเชียงนี้นี่คือจมูกคุณหาหัวไม่คุณหาตัวไม่เจอคุณเจอแต่หัวคุณเจอแต่แขนและไม่แต่หัวเนี่ย คุณหาคุณหาหัวไม่เจอเป็นไงพ่อคุณชี้ไปตรงไหนเนี่ยนะมันนี่คือคำหมอบไม่ใช่หัวนี่คือนี่คือคิ้วไม่ใช่หัวเข้าใจไหมหาแม้เขาบอกเว่าหาหาหัวนี่หางจริงก็ไม่มีเพราะหัวนี่เป็นคําสมมุติที่ใช้เรียกไอ้นี่ว่าหัวสิ่งที่เรียกว่าหัวนี่มีจริงแต่สิ่งที่สิ่งไอหัวจริงๆก็ไม่มีเข้าใจไหม นี่คืออนัตตานิพพานก็เป็นอนัตตาแต่นี่เป็นเป็นใจเป็นหอยเป็นข้อใหญ่ใจความพุทธศาสนาแต่เรื่องนี้มันเข้าใจยากเนี่ยใช่ไหมเพราะคนเราพราะคนเราไปหลงติด ก, กับสมมุติไปหลงติด ก, กับชื่อเราแยกมาออกว่าระหว่างว่าหัวกับสิ่งที่เรียกว่าหัวเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวหัวกับสิ่งที่เรียกว่าหัวนะ ตัวรถจะไม่มีแต่สิ่งที่เรียกว่ารถมีตัวกำปั้นะไม่มีแต่สิ่งที่เรียกว่ากำปั้นมีมีจริงนีเนี่ยมีจริงสิ่งที่เรียกว่ากปาั้นแต่ตัวกำปั้นไม่มีใช่ไมโอใช่ผู้จ้าลุงบอกว่าสัพเพธรมมาสัพเพธรรมานตาสัตว์ทสิ่งข้างหลายควรเป็นอนตตา รถทนี้พาด้วยแล้วความเข้าใจของของคนที่ที่สมองไม่เท่ากันอยู่รุ่นเด็กคราวนี้ผมทางานให้กับเด็กออทิสติกความความความเข้าใจในในร่างกายและจิตใจก็แตกต่างกันสำหรับคนแต่ละคนใช่ถูกไครับออทิสติกเขาก็มีข้อจํากัดอย่างหนึง่งแต่เขาก็มีความเท่าพิเศษอีกหลายอย่างที่เราไม่มีใช่ไหม เออถ้าเอาไม่แน่นะพวกออทิสติกก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเราในบางเรื่องเช่นเรื่องทันสานนะ<ม>เขาจะรูลุผิโผล่ลมากและไม่แน่เขาจะเข้าใจธรรมะได้ลึกกว่าเราก็ได้เพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษทางสมองโดยเฉพาะในเรื่องต่าการแต่เรื่องธรรมะจริงมันไม่ใช่เรื่องต่าการนะมันมันที่ก็เข้าใจยากนะถ้าใช้ต่างการนะ าว่าทำบ้านนี่บางทีมันก็มันก็เป็นสีเทาอ่ะตักาลี่มันขาวกวับดำไม่ศูน์ก็หนึ่งใช่ไ่มตักาที่ศูน์ก็ไอเอร์อกแต่ทำบมานเนี่ือความจริงชีวิตเนี่ยบางทีมันเทาๆมันไม่มีมันไม่ใช่ขาวกวับดำราใช่ไหมครัอาจารย์ครับที่อาจารย์ใช้คว่าใจไม่ใชคว่าจิตขอตัอย่างของคำวาใจ ใจเป็นภาษาไทยจิตเป็นภาษาบาลีและจิตในภาษาบาลีมีความหมายเฉพาะพุทธศ า, าส น, นาเนี่ยจิตกับปัญญาเอาจกนันจิตก็อันหนึ่งปัญญาก็อนหนึ่งจิตเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกปัญญาเป็นเรื่องของความคิดนึกนะความเข้าใจสองอยานน่างนี้ภาษารวมเรียกเป็นรวมเรียกนในภาษาไทยว่าใจปันใจก็คือจิตกับปัญญาแต่บาลีเนี่ย มันจะตจอะจงมากกว่าภาษาไทยเวลาพูดตะวัดใจเนี่ยเลยไม่รู้ว่าหมายถึงใจหมายถึงจิตหรือปัญญาทํ่มปัญาคเออจะมีปัญญาแตจิตไคือต้องมาด้วยกันเออ่มันเกี่ยวเรื่องกันเช่นคุกเคยได้ยินมาทีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสีนี่ก็เรื่องการฝึกกายวาจา ส่วนการสุกใจเนี่ยแยกเป็นสองการฝึกด้านด้านจิตเราก็เรียกว่าสมาธิส่วนสุกด้านปัญญาเราเรียกว่าปัญญาฝึกด้านจิตก็เช่นทําให้จิตสงบทําให้จิดมีเมตตาทําให้จิตมีคว า, า ม, มอดทนทำให้จิตมีสติอันนี้เราฝึกจิตแต่ฝึกปัญญาเนี่ยทําให้เห็นแจ้งในไรตรลักษณ์อันนี้เราคอาระตา มันมันมันมั น, ม, นมันคนละประเภทส่วนใหญ่เนี่ยถ้าฝึกจิตดีเนี่ยมันไม่ทาให้เกิดปัญญาแต่ฝุจิตบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เกิดปัญญาก็ได้เช่นฝึกให้เกิดจตสงบิตสงบมากๆเป็นสมาอาจจะมีความสวางพิเศษทางจิตนะเจ่งเข้าฌานได้แต่ไม่เกิดปัญญาพระเจ้าเนี่ยก่อนบวชไอ้ตอนที่ตอนที่ไปอยู่กับอารามดาบดเนี่ย เข้าทางแปดได้แต่ปัญญาไม่เกิดฝึกจิตสูงมากนะแต่ไม่เกิดปัญญาเราเกิดปัญญาก็ตอนที่ตัดสรู้ที่ได้ปุ่ได้ปุ่มอีโออันนี้ตัวอย่างว่าพวกยึดพวกพวกฤษีชีพายฝนะึกจิตสูงมากเลยนะแต่ว่าไม่เกิดปัญญา แต่ว่าการสุกจิตให้สงบเนี่ยก็สามารถจะเป็นสมองมาได้ปกปัญญาได้แต่มันแม่ autonom มันเป็นพื้นฐามันเป็นพื้นฐาสิมาก่อนสี่งมาก่อนที่มาได้แล้วปัญญาแล้ปัญญาขึ้นมา เรต้องมาว่าธรรมะแต่ความที่เป็นความจริงเช่นคนคนนึงเนี่ยเป็นทั้ง ท, ทั้งความดีและความชั่วในเวลาเดียวกันแม่บางคนจะเป็นแม่ที่ดีใช่ไหมแต่ก็อาจจะเวลาไปทำงานอาจจะคอยรับชัง่งเข้าใจไหมแม่เนี่ยดีนะมีน้ําใจเอื้อเฟื้อแต่เวลาไปทํา ง, งานก็อาจจะไปรละขโมยของใช่ไหมคือคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ดีร้อ ยอมรับไหมคนเราตรที่คนดีๆก็มีความเป็นแกตัวพระเนี่ยนะพระท่านก็ตั้ ง, งใจใช่ไหมแต่ท่านก็ยังมีกิเลสใช่ไหมอย่างเที่อามาเล่าเนี่ยแม่ ย, ยุทธศิษย์เนี่ยมีความเอื้อเฟื้อนะมีแม่ตากรุณาสุภาพอ่อนโยนแต่พอคิดถึงใครบางคนก็โกรธมากเลยตานะที่ห่าเลยเนี่ยนี่คือสีเทา คือมีทั้งความดีและความไม่ดีเมือนกันใช่ไหมสีเทาคือว่ามันมันมีมันมันขาวและดำอยู่ด้วยกันมันโทเทาคนเราไม่มีใครดีร้อยเปร์เซ็นต์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ดีเรียกว่าขาวชั่วเรียกว่าดำคนดีมีความเหป็นกัตัวไหมคนดีมีกิเลสไหมอ่ะมี่แบบไอ้ตอนที่กิเลสออกมานี่ยแหละมันคือดำ ใช่ไหมเพราะฉะเนี่ยเขาแปลว่ามีทั้งความดีและความชั่วในตัวมันไม่มีใครที่ดีร้อยเปนแล้วไม่มีใครที่เร็วบริสุทธิ์บางคนเร็วเพราะว่าจำเป็นเช่นยากจนต้องไปขโมยของมาให้ลูกมีบางคนเนี่ยนะได้มีผู้ชายคนนึงเนี่ยพ้อถูกค่าตอนตัวเนี่ยอายุแค่แ9ดเก้าขวบ นะและตํำรวจเนี่ยมันก็ร่วมมือตกปิดนะฆาตากรแล้วก็ตํารวจนี่ก็ร่วมมือกับฆาตากรเนี่ยในการที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับครอบครัวนี้ไอ้ฆาตากรนี่มันก็มามามาพูดจาดูถูก ด, ดูหมิ่นมาย่าำยี พอผู้ชายนิดโตขึ้นในวัยรุ่นสิ1สิบห้าก็ไปฆ่าไปฆ่าไอกแอตติคาตรกรนะจริงนี้เร็วั้ยเร็วป่ะฮะเร็วไหมตัวใช่ไหมแต่ว่าจำเป็นต้องฆ่าเพราะว่าขึ้นกฎหมายไม่ได้แล้วก็มันก็กระทาย่ำยีหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลอยนวลตำรวจ เขาก็หนีแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเขามีเข้ามีครอบครัวแล้วก็ก็ทำบุญก็เป็นคนดีถือสิ่งท่าเป็นพ่อที่ดีเป็นเพื่อที่ดีของครอบครัวขอ ง, ขอ ง, ข, องของเพื่อรุงมาเข้าว่าทำบุญแล้วกบวดด้วยเราจะตัดสินคนนี้ว่าอยงา่งไรว่าเขาเลวหรือว่าเขาว่าเขาดีหรือเขาเลวไอ้เลวก็มีใช่ไหมแต่เขาก็ดีด้วยเหมือนกัน เาเคยเป็นฆาต ก, กรแต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนใจมุ่งสุภาพแา้วก็บวภผ้าเ้าก็เป็นภาพที่หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อที่คนนับถืออย่างนี้เท่ารเป่าใช่ไหมก็มีอันนี้มันชุดจริงใช่ไม่มดู ด, ดูนั่นแหละเลยมิสเซอร์เรเบิรอ่ะใช่ไหมเลยมิสเซอรเรเบิกนี่เป็นเรื่องของความจริงที่คนรำมสีทษะเอายังวาวยังเนี่ยนะมันเคยมันเคยฆ่าคนแต่มันก็การเป็นคนดีอ่ะ ความจำเป็นด้วยความจำเป็นแล้วนี่คือด้วยเหตุการณ์อะไรอ่ะปีกคันทำให้เกิดหมอวิสุทธิรู้จักว่าหมอวิสุทธเนี่ยเคยเลี้ยแกนะไอ้คนที่เป็นแบบแกดีมากเป็นคนสุขภาพเอาใจใส่นักเรียนเป็นหมอที่พูดจาสุภาพดีหามไ้ม แกถ้ามียใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้เรยว่าไรที่เทอะ่ะแล้วตอนนี้แกแกออกมาเนี่ยพอแกออกมาเนี่ยแกบวชพแะแล้วแกก็กลั บ, บมาดีเหมือนเดิมใช่ไหมคือช่วยจริงคนเราเนี่ยนะเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมอ่ก็แล้วตามบอกว่าความจริงความจริงมันสิเท่า ธรรมะนี่ยเป็นสิ่งเก่าใช่ไหมว่างสัยว่าธรรมะเนี่ยมันควรจะาดอ่าอย่างนี้นเดี๋ยวธรรมะอย่างที่ายฟังเคยที่คนเราเนี่ยพุทธเจ้าครูบาอาจารย์จะสอนว่าอย่าความดีนี่ดีนะแต่อย่ า, า, ายึดมันพราถ้ายึดมั่นเมื่อไรเนี่ยมันจะเป็นความชั่วหลวงพ่เฟื่องเขาบอกว่ า, วาความคิดของเธอน่าจะถูกแต่ถ้ายึดมาแล้วก็ผิด การยึดมาในความดีสามารถทำให้เราทําชั่วได้เคยดูคลิปรัดนัดกลับนัดกลัวอะรัดกลับรัดกลัวยินดีจังไหมนัเนี่ยนะบรนโดนรถชนท้ายและไอ้รถคันนั้นเนี่ยของคนที่ชื่อบอยก็หนีไปนอดเนี่ยเป็นคนที่ดีเราก็เป็นคนที่คนเราต้องทําตามกฎหมายเขาเปลี่ยนมากไอ้คนที่ชนแล้วหนี เขเกียดมากนะคนที่ชนแล้วหนีไอ้คนที่เกลียดคนคนที่ทําอิจฉาคนจราจรในสนามเป็นคนที่ยึดมั่นในในกฎจราจรเขาเป็นลากตัวไอ้คนทีู่บอยมาแล้วก็ต่อยหนี้ทําไมนี้ทําไมนี้ทําไมก็ต้องการสั่งสอนคนที่ชนแล้วหนีว่าที่หลังมึงอย่าหนีก็ต้องการสั่งสอนคนที่ชนแล้วหนีว่าอย่าทําแต่มันลงเอยด้วยการที่เขาทาสิทธท์นี้เร็วกว่าการชนแล้วหนีชนแล้วหนีเนี่ยมันแค่ทําห้รถรถพลอใช่ไห อันนี้ก็ทำร้ายคน เ, น <ไป S 1> เขายึดมั่นในความดีเนี่ยเขางเกียคนคนที่ยึดมั่นในความดีจะลองเกียดคนที่ไม่ดีแล้วพอเราเกียดมากๆนี่ก็อยากจะสั่ง ส, สอนให้กาบรถรูอเพราะไม่นะคืออันนี้มันเป็นมันเป็นอุท า, ารสอนใจนะว่ า, าเวลาเราเกียดคนชั่วเนี่ยระวังเราจะชั่วกับเขาเข้าใจไหม คนที่เกียคนชั่วคือคนดีคนที่เกียคนชั่ว ค, คนดีแต่พอยึตยิดความดีเนี่ยมันจะทําชั่วเอ้นะครุปคื อ, อยาทําผิดในสิ่งที่ถูกเนี่ยสีเทาล่ะความสิ่งที่ถูกเนี่ยถ้าคุณยึดมั่นนะมันก็เป็นผิดความดีนะถ้ายึดมันนี่ผิดเลยนะมันเท่าไหมก็บอกว่าต้อง ต้องให้ทำผิดให้ทำถูในสิ่งที่ถูกทำถูในสิ่งที่ผิดยังจะดีกว่าทำผิดในสิ่งที่ผิดอ้าวงงลยอะไาว่าฮะเข้าใจว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนี่เข้าใจนะเหมือนที่เหมือนพี่หมออะสงสารเด็ก นึกสินกสิมึงกระปองทราบงอย่าไปเอาความสงสารนี่ทำถในสิ่งที่ผิดไมต้องยกตัวอย่างด้วยนะไมใจประสบการณ์ของอาจารย์ทเพื่อเีสิทธิถูกมีหลายอย่างนะอก่อนทำบุญค่ะทำบุญเนี่ยเป็นของดีค่ะแต่ทำด้วยกิเลสเนี่ยมันผิดแล้วใช่ไหม ทำอยากได้อยากรวยอยากถูกลุ้ยอันนี้อ่าฮะใช่ไหมถูกสินะถูกวางใจผิดอ่อยากไปเจอสติจอบอ่ะใไม่ถูกเใจอนนี้ทำทำทาถูในสิ่งที่ผิดเนี่ยหมายความว่าไอ้ตัวอย่างในป่าอรรมมาเนี่ยนะมันมีคนจำนวนมากเนี่ย ที่เขาไม่ตัดไม้เขากลัวผีเขากลัวผีสางเทวดาไอ้ผีสางเทวดานี่นะไอ้เป็นความงงงายเห็นไหมแต่ความงมงายเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าตัดต้นไม้เห็นไหมอย่างเงี้ยเรียกว่าทำถูกในสิ่งที่ผิดงงงายแต่ว่าความงมงายมันทําให้เขาเนี่ยนะไม่ทําชั่วเห็นไหม ถึงเอภาพปออย่างงมงายใช่ไแต kind of ่ว่าวันดีใช่ไมมันดีใช่ไอันนี้เป็นตัวอย่างนะหรือว่าเดี๋ยวตะวันนึไม่ออกแต่ว่ามันมันจะมีประเภทนี้เยอะเดี๋ยวค่อยๆค่อย้อย่างนั้นวก็กขอสมควรพรุงนี้นะครับเดี๋ยวก็มมนท่าน ก่อนครับหลังหลังจากตรงนั้นนะครับก่อนรับ